บัญญัติอก็ภิกษุณีผู้จะให้ทำภาพน้ำพึงทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือยาวสี่คืบกว้างสองคืบโดยคืบสุคตททำให้เกินขนาดนั้นต้องอะบาดปารจิตีที่ชื่อว่าเฉทนกะเรื่องภิกษุณีช พ, พกักคีจบ